ศาสนานุสติยานปริชาอย่างรู้ทําให้ระลึกพบที่เคยอยู่ในหนหลังได้พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังตามความเป็นจริงเป็นไฉไหนพระตถาคตในโลกนี้ทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลายๆชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างหชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สบชาติบ้างสาสบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาต yani, ah ิบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายสังวัตกรรบ้างหลายวิวัตกรรบ้างหลายสังวัตกรรวิวัตกรรบ้างว่าเราอยู่ในภพโน้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีวรณะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้สวยสุขและทุกข์อย่างนี้มีกําหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว จึงไปเกิดในภพโน้นเราอยู่ในภพนั้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้มีวั น, นะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้สวยสุขและทุกอย่างนี้มีกาหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้พระตถาคตรทรงระลึกชาติในหนห ล, ลังได้หลายชาติพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนิปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสามมาทิฏฐิในการระลกชาตินั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการระลกชาติผนหลังตามความเป็นจริง 9. ก้าจุตูปปตาตยานปรีชายอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมพระตถาคตทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นไงพระตถาคตในโลกนี้ ทรงมีทิพยะจากสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของสามัญมนุษย์ทรงเห็นสัตว์ผู้กําลังจุติอุบัติเลวปราณีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์เลวไปสกติไปทุกติย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตประกอบด้วยวจีทุจริตประกอบด้วยมโนทุจริตกล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานมิจฉาทิฏฐิกรรม สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตประกอบด้วยวจีสุจริตประกอบด้วยมนุสุจริตเมื่อกล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นสัมมาทิฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตทรงมีทิพยะจากสุอันบริสุทธิ์ล่วงสามัญมนุษย์ ทรงเห็นเหล่าสาัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติเลวปราณีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์เลวไปสุขติไปทุกติทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง สิอาสวะขยายานปริชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองเข้าถึงอยู่ในทิฏ ธ, ธรรมด้วยอาการอย่างนี้ปัญญาปริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสำมาติทิในความสิ้นอาสะวะนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสะวะตามความเป็นจริงญาณวิพังจบบริบูรณ์สิบเจ็ด พุทธกะ ว, วัตุวิพัง 1. นเอกมาติกา 1. ชาติมทะความเมาเพราะอาศัยชาติ 2. โคตมทะความเมาเพราะอาศัยโคต 3. อโรคยะมทะความเมาในความไม่มีโรค 4. โยพณะมทะความเมาในความเป็นหนุ่มสาว 5. ชีวิ ต, ตมทะความเมาในชีวิต หกลาภามทะความเมาในลาภเจ็สักการมทะความเมาในสักการะแปดครุการะมทะความเมาในความเคารพเก้าุเรขารามทะความเมาในความเป็นหัวหน้าสิบปริวารมทะความเมาในบริวารสิบเอ็ดโภคามทะความเมาในโภคมมสมบัติสิบสองวันนมทะ ความเมาเพราะอาศัยผิวพรรณและคุณความดี 13. สุตมะทะความเมาในการสดับตรับฟังสิบปฏิภาณมะทะความเมาในปฏิภาณสิบหรัตัญยูมะทะความเมาในความเป็นผู้รัตัญยูสิบกินทปาติกะมะทะความเมาในการถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัด 17. อนะวัฏยาตะมะทะ ความเมาเพราะไม่ถูกใครดูหมินสิบปอิริยาประมทะความเมาในอิริยาบทสิบก้าอิทิมทะความเมาในฤทธิ์ยี่สิบยะสะมทะความเมาในยศยี่สิบเอ็ดสีละมทะความเมาในศีลยี่สิบสองชาณมทะความเมาในชาญยี่สิบสามสิปะมทะความเมาในศิลปะ 24. อาอโรหะมทัทะความเมาในความมีชวส่สทรงสูงยี่ห้าปริณาหะมทัทะความเมาในความมีชว่ทรงสันทัศน์ส 26. สันฐานมทัทะความเมาในความมีชว่ทรงงาม27่สปริปูริมทัทะความเมาในความมีร่างกายสมบูรณ์ 28. สมทะความเมายี่ ประมาทะความประมา 30, ทสาทสิบธะความหัวดื้อส1สิบเอ็ดสารัมภะความแข่งดีสาสิสองอติริชาตาความอยากได้เกินประมาณสามสามหิชาตาความมากๆ 34. สาสิสป้าปิชาตาความปรารถนาลามกส5สิบหสิงฆะความยั่วยานสามสิห ติตินะการพูดขีดกันสาสิบเจดจารัญญการชอบตกแต่งสาสิบแอาชาภาคะวุตติความประพฤติไม่เหมาะสมส9สิ 39, อาอรติความไม่ยินดีสี่สิตันทีความโงกงง่วงส1เอ็ดวิชามพิตาความบิดกลสี่สิบสองพัตตะสัมมทะความเมาในอาหาร 43. เจตโสลีนตตะความหดหู่ิกสี่สิบสี่ปุหนาความหลอกลวงสี่สิห้าละปะนาการพูดประจบสี่สิหกเนมิตติกตาการทำนิมิตสี่ส็ดนิเปจิกตาการพูดลบแรงความดีของคนอื่นส8สิบลาเพณะลาพังนิชิคิงจนตา การแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบ49ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขา50ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา51ความถือตัวว่าเป็นผู้ร่อยกว่าเขา52เป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขา53เป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา54เป็นผู้เลิกกว่าเขา เถือตัวว่าด้อยกว่าเขาห้าสิบห้าเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าเลิกกว่าเขาห้าสิบหกเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าเสมอเขาห้าสิบเจ็ดเป็นผู้เสมอเขาเถือตัวว่าด้อยกว่าเขาห้าสิบปดเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเถือตัวว่าเลิกกว่าเขาห้าสิบเเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเถือตัวว่าเสมอเขาหกสิบ เป็นผู้ร่ายขวาเขาเถิยตัวว่าร่ายขวาเขาหกสิบเอ็ดมานะความถือตัวหกสิบสองอติมานะความดูหมิ่นผู้อื่นหกสิบสามมานาติมานะความเ ย, อย่อหยิงถือตัวหกสิบสี่โอมานะความดูหมิ่นตนเองหกสิบห้าอธิมานะความสําคัญว่าได้บรรลุหกสิบหก อาสมิมานะความสําคัญว่ามีตัวตนหกสิบเจ็ดมิฉามานะความถือตัวผิดหกสิบแปดยาติวิตต ก, กะความตรึกถึงญาติหกสิบเก้าชนะปทาวิตต ก, กะความตรึกถึงชนบทเจ็ดสิบอมาราวิตต ก, กะความตรึกเพื่อเอาตัวรอดเจ็สิบเอ็ดปรานุทะตาปฏิสังุตาวิตตกะความตรึก เกี่ยวด้วยความเอนดูผู้อื่นเจ็ 72. ลาภสักการะสิโลกะปฏิสังขตะวิตกะความตรึกเกี่ยวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียงเจ็ 73. อนะวัจยันติปฏิสังขตวิตกะความตรึกเกี่ยวด้วยความไม่ต้องการให้ใครดูหมิน่นเอกมาติกาจบ 2. ทุกขมาติกา 1. โกธะความโกรธ อุปนาหะความผูกโกรธสองมัคคะความลบหลู่ปลาสะความตีตัวเสมอสอิสาความริษยามัชฌริยะความตรณีสี่มายาความเจ้าเล่สาเถยะความโอ้อวดหอวิชาความไม่รู้ภวะตันหาความปรารถนาพบหภวทิฏฐิความเห็นว่าเกิดอีก วิภวะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เกิดอี 7. จัตสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง ja ุิิทคววาาามเห็นู่ 8. อันตวาทิฏฐิความเห็นว่ามีที่สุดอนันตวาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีที่สุด 10. ปุพันตานุทิฏฐิความเห็นปรารบส่วนอดีตอัปรันตานุทิฏฐิความเห็นปรารบส่วนอนาคต อหิริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอโนตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติชั่จริตสิบอโทวจัจสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิจฉุ่นสองอนาชวะความไม่ซื่อตรงอมาทวะความไม่อ่อนโยน 13. อขันติความไม่อดทนอโสระจะ ความไม่สงบเงียบสิบส า, าขันระยะความไม่มีวาจานิ่มโนลอปฏิสันธาระความไม่มีปฏิสันฐาน 15. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 16. มุตตสัจจะความหลงลืมสติอสัมปัญญะความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 17. บสีลวิปติ ความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิปติความวิบัติแห่งทิฏฐิสิบปดอชชะตะสัญโยชนะสังโยดภายในพระหิทธาสัญโยชนะสังโยดภายนอกทุกกะมาติกาจรสติกกะมาธิก า, า, ก า, กาหนึ่งอกุศลลมูลร่างเงาแห่งอกุศลสามสองอกุศลลวิตก ความติบตที่เป็นอกุศล์สามสอกุศนลสัญญาการกําหนดหมายที่เป็นอกุศล์สามสอกุศละธาตุธาตุที่เป็นอกุศล์สามหทุจริตความประพฤติ ช, ชั่วสามหอาตะวะสภาวะที่หมักดองสันดาลสามเสังโยชตยิเลคเครื่องประกอบสัตว์ในภพสามแ ตันหาความทยานอยากสามเก้าตันหาสามอีกในหนึ่งสิบตันหาสามแม่อีกในหนึ่งสิบเอ็ดเอชนาความพอใจสามสิบสองวิทาสามสิบสามภัยสามสิบสี่ธรมะความมืดสามสิบห้าดิทายตนะถิ่นเกิดของทิฏฐิสามสิบหกกินจนะ กิเลสเครื่องกังวลสามสิบปดอังคณนกิเลสเพียงดังเนินสามสิบปดมลมนทินสามสเกวิสมะความประพฤติไม่สม่ำเสมอสามยี่สิบวิสมะสามอีกในหนึ่งยี่สิบเอ็อคิีไฟสามยี่สิบสองกระสาวะกิเลสดุดน้ำฝาสามยี่สิบสาม กะสาวะสามอีกในหนึ่งยสิอซาทธทิฐิความเห็นผิดที่ประกอบด้วยความยินดีอตานุทิฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนมิฉาทิฐิความเห็นผิดยี่สิห้าอรติความไม่ยินดีวิเหสาความเบียดเบียนอธรรมมจริยาความประพฤติไม่เป็นธรรมยี่สิหโทวัจสตาความเป็นผู้ว่ายาก ปาบมิตตาความเป็นผู้มีมิชัวนาณาตสัญญาสัญญาที่แตกต่างกัน27อุทจฉาความฟุ้งซ่านโกศ ช, ชะความเกียรคร้านประมาทะความประมาท28่สอาศันตุทิตาความไม่สันโดษอาศันปัญญาตาความไม่มีสัมปัญญะมหิชะตาความมากๆากยสิบ อหิริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติชัจริตอนโนตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติชัจริตปมาทะความประมาทสาสิ 30, อนาทาริยะความไม่เอือ้อเฟื้อโทวจัสตาความเป็นผู้ว่ายากปาภมิตตาความเป็นผู้มีมิชฉ ua สามสิบเอ็ดไติยะความไม่เชื่ออวัธัญุตาความเป็นผู้ไม่โอบอ้อมอารี โกสัชะความเกียคร้านสาสอง 32. อุทัจจะความฟุ้งซ่านหาสังวรความไม่สํารวมทุศีละยะความเป็นผู้ทุศีลสาอริยานังอัทสนะกรรมยตาความไม่อยากเห็นพระอริยะสัทธรรมังอโสตุกรรมยตาความไม่อยากฟังพระสัทธรรมปุปารัมภจิตตตาความพิดแข่งดี ส4มุิบสีุ่ทธสจัจจะความเป็นผู้มีสติฟันฟ่นเฟือนอสัมปชัญญะความเป็นผู้ไม่มีสัมปัญญะเจตโสวิเคปะความฟุ้งซ่านแห่งจิตส5สิบห้าอโยนิโสมนาสิ ก, การการไม่พิจารณาโดยแยบคายกุ ม, มะมัคคะเสวนาการยึดถือทางผิดเจตโสลีนตตะความหดหู่จิตตึกะมาติกาจบ 4. จะตุ ก, กะมาติกาหนึ่งอาศาวะสภาวะที่หมักดองในสันดานสี่สองคันถะกิเลสเครื่องร้อยรัดใจสี่สโอคะกิเลสดูดห่วงน้ำสี่สโยคะกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสี่หอุปาทานความยึดมั่นสี่ตันหุปาทานความยึดมั่นด้วยตันหาสี่เจ อัคติคามณะการถึงอัคติสี่ิปรวิปเยะะการสแสวงหาผิดสี่เกอนริยะโวหารโวหารของผู้ไม่ใช่พระอริยะส 10. สิบอนริยะโวหารสี่อีกในหนึ่งสิบเอ็ดทุจริตความประพฤติชั่วสี่สิบสองทุจริตสี่อีกในหนึ่งสิบสามภัยสี่สิบสี่ ไพ่สอีกในหนึ่งสิบห้าไพ่สี่อื่นอีกในหนึ่งสิบหไพ่สี่อื่นต่อไปอีกในหนึ่งสิบเจ็ดทิฏฐิความเห็นผิดสี่จตุ ก, กะมาติกาจบห้าปัญจกะมาติกาหนึ่งโอรัมภาคียสังโยตสังโยตเบื้องต่ำห้าสองอุทามภาคยสังโยตสังโยตเบื้องสูงห้า 3. ม, มัชฌิริยะความตรณีห้าสีสังขะกิเลสเครื่องคล้องห้าหาสันละละกิเลสดุจลูกสอนห้าหเจโตขีละกิเลสดุจตะปูตรึงใจห้าเจตโสวินิพันธะกิเลสเครื่องผูกพันใจห้าแนิวรกิเลสเลครื่องกั้นความดีห้าเกอนันตริยกรรม กรรมหนักห้าสิบทิฐิความเห็นผิดห้าสิบเอ็ดเวนความแข้งเคืองห้าสิบสองพยานะความพินาศห้าสิบสามโทษแห่งความไม่อดทนห้าสิบสี่ภัยห้าสิบห้าทิฏฐธรรมะนิพพานวาธทะวาธทะว่านิพพานมีในชีวิตปัจจุบันห้าปัญจากมามติกาจบหก ชากกมาติกาหนึ่งวิวาทะมูลเหตุก่อวิวาทหกสฉันทราคะเคหัสิตตะธรรมสภาวะธรรมเคยฉันท ร, ราคะซึ่งอาศัยกลามคุณ 3. วิโรธวัตถุหกตัณหากายกองตัณหาหกหาอัคาระวะความไม่เคารพหกปริหานิยธรรมทมเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมห เจ็ดปริหานิยธรรม6กอีกในหนึ่ง 8. โสมนัสสุปวิจารณ์ความคลุ่นคิดเกี่ยวด้วยโสมนัสห 9. เกมนั ส, สุปวิจารณ์ความคลุ่นคิดเกี่ยวด้วยโทมนัหกสิอุเบขูปวิจารณ์ความคลุ่นคิดเกี่ยวด้วยอุเบขาหกสิบเอดเคหาสิตะโสมนัสโสมนัสที่อาศัยกลามคุณหกสิบสอง เคหาสิตะโทมณต์โทมนัททมน์ที่อาศัยกามคุณคหกสบสามเคหาสิตะอุเบคาอุเบคาที่อาศัยกามคุณหกสิบสี่ทิฏฐิความเห็นผิดหกฉากะมาติกาจบ7จสัตตกะมาติกาหนึ่งอนุสัยิเลที่นอนเนื่องเจ็ดสองสังโยชน์ยิเลที่ประกรอบสัตว์ไว้ในภพเจ็ 3. ปริยุทธานกิเลสเครื่องครุ้มรุมใจเจด็ดสอสัตถธรรมธรรมของคนพาน่านเจ็ดหทุจริตความประพฤติชั่วเจด็ดหมานะความถือตัวเจด็จดเจ็ดทิฏฐิความเห็นผิดเจด็จดสัตตกะมาติกาจบ 8. อัตตกะมาติกาหนึ่งกิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมองแปด 2. กปูศีตวัตถุเหตุเกิดความเกียดคร้านแปดจิตกระทบในโลกธรรมแปดสอนริยะโวหารคำพูดของผู้มิใช่พระอริยะแปดมิจฉัตะความเห็นผิดแปดหปุรุโทษโทษของคนแป ด, ดอสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาไม่มีสัญญาแป ด, แปดเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ วาถ้าว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แปดมาทกะมาติกาจบเก้านวกะมาติกา 1. หนึ่งอาคาตวัตถุเรื่องให้เกิดความอาคาตเก้าสองปุริสมลระมวลทินของคนเก้าสามานะความถือตัวเก้าสตันหามูลกธรรมทรรมที่มีตันหาเป็นมูเก้าห้า อินชิตะเก้าหกมันยึกตะเก้าเจ็ดพันธิตะเก้าแปดปะปัญจิตะเก้าเก้าสังคตะเก้านวกะมาติกาจบาสิบทัศกะมาติกาหนึ่งกิเลสสวัตถุสิ่งกอความเศร้าหมองสิบสอง 2. อาคาตะวัตถุสิ่งกอความอาคาสิบ สอกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลกรรมสิบสี่สังโย์กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพสิบห้ามิจฉา ต, ตความเห็นผิดสิบหกิชาทิฐิมีวัตถุความเห็นผิดมีสิบอย่างสิบเจอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุความเห็นที่ยึดเอาที่สุดมีสิบอย่างทัศกะมาธิกาจบตัณหาวิจิริต อาศัยอายตนะภายในสิบแปดอาศัยอายตนะภายนอกสิบแปดรวมเข้าด้วยกันเป็นตันหาวิจริตสามสิบหกตันหาวิจริตที่เป็นอดีตสามสิบหกที่เป็นอนาคตสามสิบหกที่เป็นปัจจุบันสามสิบหกรวมเข้าด้วยกันเป็นตันหาวิจิริษร้อยแปดเรื่ประการฉนิทิฏฐิหกสิบสองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพรห ม, มชาลสูตรมาติกาจบ หเอลกนิเทศบรรดาเอกมามัติกาเหล่านั้นชาติมทะเป็นไนความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาตินี้เรียกว่าชาติมัทะ โคตมทะเป็นไนความเมาและถึงความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจ ธ, ธงเพราะอาศัยโคด น, นี้เรียกว่าโคตมทะอรโรคยะมทะเป็นไนะความเมาวความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจ ธ, ธงเพราะอาศัยความไม่มีโรคนี้เรียกว่าอารโรคยมะมทะโยพรนะมทะเป็นไนะ ความเมาความที่จิตต้องการเช่ชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เรียกว่าโยพณะมัะชีวิตะมัะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเ you ช่ชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชีวิตนี้เรียกว่าชีวิตะมัะลาภามัะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยลาภนี้เรียกว่าลาภามทะ จักการะมัทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยสักการะนี้เรียกว่าสักการะมัทะครุการะมัทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความกรพนี้เรียกว่าครุการะมัทะปุเรขารามทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธง เพราะอาศัยความเป็นหัวหน้านี้เรียกว่าปุเรขาระมะปริวาระมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุทงเพราะอาศัยบริวารนี้เรียกว่าปริวาระมทะโพคธมระเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุทงเพราะอาศัยโพคะนี้เรียกว่าโพคารระวันธรรมะเป็นไน ความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความยกย่องนี้เรียกว่าวันมะทะสุตมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยการสดับตราฟังมากนี้เรียกว่าสุตมทะปฏิภาณมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยปฏิภาณ นี้เรียกว่าปฏิพาณมัทะรัตัญยุมัทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้รัตัญยุนี้เรียกว่ารัตัญยุมัทะปินทปาติกมัทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้เถอเที่ยวบินทบาทเป็นวัดนี้เรียกว่าปินทปาติกะมัทะ อนัวัญญาตมะทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความที่ไม่มีใครดูหมินนี้เรียกว่าอนัววัญญาตมทะหิริยาปัตมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยอิริยาบถนี้เรียกว่าอิริยาปัตมะทะอิธิมะทะเป็นไน ความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฤทธิ์นี้เรียกว่าอิทิมทะยสสมทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเช collective collective life, ื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยยศนี้เรียกว่ายสสมทะสีลมทะเป็นไฉนความเ Además, ามาความที่จิตต้องการ bitch, าาเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศีลนี้เรียกว่าสีลมทะชานมทะเป็นไฉน ความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาญนี้เรียกว่าชานมทะสิปามทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศิลปะนี้เรียกว่าสิปามทะอโรหมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้มีสวดสงสูงนี้เรียกว่าอโรหมทะ ปรินาหะมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีสั่ทรงสันทัศนี้เรียกว่าปรินาหมาะมทะสันทานมทะเป็นไนความเมาความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีสว่ทรงงามนี้เรียกว่าสันทานมทะปาริปูริมะทะเป็นไน ความเมาคิริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวคิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัย aw, วความมีร่างกายสมบูรณ์นี้เรียกว่าปาริบุริมทะมะทะเป็นไนะความเมาคิริยาที่เมาภาวะที่เมา ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถะนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธมความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงนี้เรียกว่ามท ะ, ะประมาทะเป็นไนความปล่อยจิตไปการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือเนกามกุลห้า หรือการทำโดยไม่เคารพการทำไม่ให้ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เจ็บความไม่เจริญความไม่ทำให้มากความตั้งใจไม่จริงความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้ <N> <mem bers> นี้เรียกว่าประมาทะถามพระเป็นไนความหัวดื้อกิริยาที่หัวดื้อภาวะที่หัวดื้อความแข็งกระด้างความหยาบคายความเป็นผู้มีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าถมพระสารัมพะเป็นไนความแข็งดีความแข็งดีตอบกิริยาที่แข็งดีกิริยาที่แข็งดีตอบภาวะที่แข็งดีตอบ นี้เรียกว่าสารัมภะอติริจตาเป็นไนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของภิกษุผู้มิสันโดด้วยจีวรนเบ็นธบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเพศบริขารหรือด้วยกามคุณห้าตามมีตามได้ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัดความกำหนดหนักความกำหนดหนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าอาติริจตาไม่หิจตาเป็นไนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของพิกษุผู้ไม่สันโดดด้วยจีวรบิณธบาตเสนาสะนะและกีรนาปัจจัยเพศบริขารหรือด้วยกรารมคุณห้าตามมีตามได้ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้ นี call, mm ้เรียกว่าไม่หิจตาปาปิจตาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสุตตะน้อยปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสุตตะมาก เป็นผู้ยินดีในกางคลุกคลีด้วยหมู่ปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้ชอบสังกัดเป็นผู้เกียคร้านปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเป็นผู้มีสติหลงลืมปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่า เป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิเป็นผู้มีปัญญาสามปรารถนาว่าขอ way, ประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะความอยากได้ความปรารถนาความปรารถนาลามมกความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแข่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ปาปิชตาสิงคะเป็นไนความยั่วยวนความน่ารักความสวยสง่าความเพลิดเพลิงความมีสเสน่ห์ความใชไ่ไหลนี้เรียกว่าสิงคะตินตินะเป็นไนการพูดกี่กันกิริยาที่พูดกี่กันภาวะที่พูดกี่กันความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบความถ่อมตนเพื่อที่จะได้ ความต้องการสิ่งที่ประณี่นี้เรียกว่าตินตินะจนะบรรยัเป็นไนการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาทการตกแต่งเสนาสนะการประดับร่างกายที่เปื่อยแนว น, นี้หรือบริขารภายนอกการประเทิงผิวการเล่นหัวความร่าเริงความกำหนัดยินดีภาวะที่กำหนัดยินดีการตกแต่งกิริยาที่ชอบตกแต่งนี้เรียกว่า จะปัญญ ะ, ะอสภาขวุติเป็นไ น, นความไม่ประพฤติตามความประพฤติขัดขืนความไม่เอื้อเฟื้อภาวะที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่ยำเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่ควรเคารพเช่นมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวอาจารย์อุปชาพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนี้เรียกว่าอสภาข่วุติอารติเป็นไ น, น ความไม่ยินดีกิริยาที่ไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งยิริยาที่ไม่ยินดียิ่งความรําคาญความโกรนกระวายใจในศาสนาที่ส ง, งัดหรือในสภาวะธรรมที่เป็นอธิคุศลคือสมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอรติทันทีเป็นฉไฉนความง่วงซึมกิริยาที่ง่วงซึมภาวะที่ง่วงซึมความเกียดคร้านกิริยาที่เกียดคร้าน ภาวะที่เกียดคร้านนี้เรียกว่าตันทีวิชามพิตาเป็นไนความบิดกายกิริยาที่บิดกายการโน้มกายไปข้างหน้าการโน้มกายมาข้างหลังการโน้มกายไปรอบๆการตั้งกายให้สูงขึ้นความไม่สำราญทางกายนี้เรียกว่าวิชามพิตาพัตตะสัมมทะเป็นไนความเมาเพราะอาหารความอึดอัดลำบากเพราะอาหาร ความเร่าร้อนกระวงกระวายเพราะอาหารความหนักเนื้อนหนักตัวเพราะอาหารของผู้รับประทานอาหารแล้วนี้เรียกว่าพัตตะสัมมทะเจตโสลีนตะเป็นไนความเมื่อคล่องแห่งจิตความไม่ควรแก่การงานแห่งจิตความท้อแท้ความถดถอยความหดหู่กิริยาที่หดหู่ภาวะที่หดหู่ความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอยภาวะที่จิตท้อถอย นี้เรียกว่าเจตโสลีนัตตะกุหณาเป็นไนความหลอกลวงด้วยการเสดปัจจัยความหลอกลวงด้วยการกระสิทธ์ในที่ใกล้หรือการวางท่าทางอิรียบทยที่วางท่าทางอิเรียบทความดำรงอิริยาบทด้วยดีการปั้นสีหน้าภาวะที่ปั้นสีหน้าความหลอกลวงิิรยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงของภิกษุ ผู้มุ่งลาบสักการะและชื่อเสียงผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่ากุขนาและปัณ น, นาเป็นไนการทักทายผู้อื่นการพูดแนะนาตนเองการพูดปลอบโยนการพูดยกย่องการพูดยกย่องให้สูงขึ้นทุกส่วนการพูดเอาใจคนอื่นการพูดเอาใจคนอื่นบ่อยๆการพูดแนะนาการพูดแนะนาบ่อยๆ การพูดยกย่องเพื่อต้องการจะให้เขารักการพูดทำตนให้ต่ำลงการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กของภิกษุผู้มุ่งลาบสักระและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี่เรียกว่าละปนาเนนิติตกระตาเป็นไนการทำนิมิตความฉลาดในการทำนิมิตการพูดเกี่ยวข้องด้วยปัจจัย การพูดเป็นเล่ในยการพูดเรียบเคียงชนเหล่าอื่นของภิกษุผู้มุ่งลาบสักระและชื่อเสียงผู้มีความปราถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าเนมิติกรตานี่เปศิกรตาเป็นไนการดา่าการพูดขม่มการพูดนินทาการพูดตำหนิโทษการพูดตำหนิโทษหนักขึ้นการพูดเยียดยามการพูดเยียดยามให้หนักร่งขึ้น การพูดที่เสียชื่อเสียงการพูดที่เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงการนำเรื่องเที่ยวไปประจานการพูดสรรเสริญต่อหน้านินทานลับหลังของภิกษุผู้มุ่งลาบสักระและชื่อเสียงผู้ปรารถนาลาโมกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่านิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิขีขีสันนตาเป็นไนภิกษุผู้มุ่งลาบสักระและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนำอามิ t h ที่ได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้นหรือที่ได้จากข้างโน้นไปให้ข้างนี้การแสวงหาการเสาะแสวงหาการเสาะแสวงหาบ่อยๆกิริยาที่แสวงหากิริยาที่เสาะแสวงหากิริยาที่เสาะแสวงหาบ่อยๆซึ่งอามิ t h ด้วยอามิ t h มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ลาเพนะลาพังนิชขีสนตาความถือตัวว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่กางงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิพาน ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนการเชื่อชูตนเป็นดุดธงความเห่อเหมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขาความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพโดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความถือตัวยิรยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขาความถือตัวว่าเป็นผู้รอยกว่าเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิพานความดูหมิน่นกิริยาที่ดูหมิน่นภาวะที่ดูหมิน่นความเกลียดตนความเกลียดตนยิ่งภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างยิ่งการดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้ร่ยขวั่เขา เป็นผู้เลิกกว่าเขาเถือตัวว่าเลิกกว่าเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิกกว่าเขาเถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิพาน์ เขาอาศัยการถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆเช่นนี้แล้วถือตัวความถือตัวคิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขา เป็นผู้เลิกกว่าเขาเถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิกกว่าเขาเถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษา หรือโดยปฏิพานเขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนี้แล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา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 หรือโดยปฏิพานเขาอาศัยความถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตนความดูหมิ่นตนกิริยาที่ดูหมิ่นตนภาวะที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนคิริยาที่เกลียดตนยิ่งภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างยิ่งความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิกกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุคครของผู้มีตระกูลและถึงเขาอาศัยความถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัว กิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจทงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจทงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นเบิกของผู้มีตระกูลและถึงเขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอะเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเป็นะไะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโครโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล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 เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตโดยความเป็นบุกของผู้มีตระกูลเขาอาศัยความถือตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตน ความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุทธงความที่จิตต้องการเป็นดุทธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้ด้อยขวาขาถือตัวว่าเลิกวัวาขาเป็นผู้ด้อยขวาขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยขวาขาถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคต โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลเขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเหอเหอิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา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 ความเกลียดตนคิริยาที่เกลียดตนภาวะที่เกลียดตนความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขามานะเป็นไนความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะทที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตน ความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงนี้เรียกว่ามานะอติมานะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นบุคคลของผู้มีตระกูลความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตน ความเชื่อชูวตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุดธมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอติมานะมานาติมานะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เบื้องต้นถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆต่อมาเถื่อตัวว่าเลิกกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดย โ, ตโดยคตโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความถนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจ ธ, ธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจ ธ, ธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามานาติมานะโอมานะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาิโดยโคด โดยความเป็นบุกของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิพานความดูหมิ่นตนกิรยาที่ดูหมิ่นตนภาวะที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนที่เกลียดตนภาวะที่เกลียดตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตน มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโอมาณะอธิมาณะเป็นไนความสําคัญธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้วความสําคัญจิตที่ตนยังไม่ได้ทําว่าทําแล้วความสําคัญธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้วความสําคัญธรรมที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งว่าทําให้แจ้งแล้วความถือตัวคิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัว ความลำพองตนความถะนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอธิมาณะอัศมิมาณะเป็นชนยัยความสําคัญว่าเราเป็นรูปความพอใจว่าเราเป็นรูปความเข้าใจว่าเราเป็นรูปความสําคัญว่าเราเป็นเวทนาเราเป็นสัญญาเราเป็นสังขาร เราเป็นวิญญาณความพอใจว่าเราเป็นวิญญาณความเข้าใจว่าเราเป็นวิญญาณความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอสมิมานะมิจฉามาณะเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาโดยปฏิภาณโดยศีลโดยพรตโดยศีลและพรตหรือโดยทิฐิอันลามกความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าไม่ฉามานะญาติวิตักกะเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที Ar ai, nement, weekend, ด่อาศัยเรือนปลารบหมูญาตินี้เรียกว่าญาติวิตักกะชนะปัทาวิตักกะเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือน ปรารบชนบทนี้เรียกว่าชนะปัทถวิตกกะอมระวิตกกะเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำ m ริผิดที่อาศัยเรือนประกอบด้วยทุกขระกิริยาหรือประกอบด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าอามระวิตกกะปารานุทยาตาปฏิสังยุตวิตกกะเป็นไงสมณะพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อยู่คลุกคลีกับครหัดมีความรื่นเริง ร, งร่วมกันมีความโศกเศร้าร่วมกันถึงคราวเขาสุขก็ปลอยสุขด้วยถึงคราวเขาทุกก็พลอยทุกขด้วยเมื่อเขามีกิจที่จะพึงทําเกิดขึ้นก็พยายามช่วยทําด้วยตนเองความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนในเพราะการอยู่คลุกคลีด้วยครหัดนั้นนี้เรียกว่าปา ร, รานุทยาตาปฏิสังยุตตะวิตกรกะ ลาภสการะสิโลกะปฏิสังยุตตวิตักกะเป็นไ น, นความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนปรารบลาภสการะและชื่อเสียงนี้เรียกว่าลาภสการะสิโลกะปฏิสังยุตตวิตักกะอนาวัน ญ, ญติปฏิสังยุตตวิตักกะเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้รำพึงว่า คนเหล่าอื่นจะได้ดูหมิ่นเราโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพโดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิพานความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความด â ฤิผิดที่อาัยเรือนในเพราะความไม่อยากให้ใครดูหมิ่นนั้น นี้เรียกว่าอนัววันยติปฏิสังยุตตวิตักะเอากานิเทศจก